การบ่นไม่รู้จบคือการซ้ำเติมตัวเองได้ระบายบ้างกับบ่นให้ฟังไม่รู้จบนั้นแตกต่างกันมากการได้ระบายบ้างคือการปลดปล่อยแรงเก็บกดนับเป็นยาดีได้เหมือนกันแต่การบ่นให้ฟังไม่รู้จบคือการซ้ำเติมตัวเองเพิ่มความฟุ้งซ่านและความเครียดกระนำหนักยิ่งขึ้น เช่นหลายคนหลังเลิกงานก่อนที่จะโทรหาใครก็มีลักษณะความแกลัดกลุ่มอยู่ก่อนพอโทรคุยได้ก็เหมือนสบายใจบ้างแต่ยิ่งนานก็ยิ่งขุดเอาโทษะ์และความเครียดเกี่ยวกับอดีตและอนาคตออกมามากขึ้นทุกทีคุยจบก็เครียดต่อฟุ้งซ่านต่อหรือกระทั่งขอโทรกลับไปเพิ่มเติมไม่เห็นจะช่วยจริงสักเท่าใดถึงจุดหนึ่ง คุณจะรู้ว่าเรื่องราวหรือผู้คนนั้นหน้าบนเหลือเกินนั้นเข้ามากระทบหูกระทบตาได้แค่ชั่วคราวไม่ได้น่ารำคาญเท่าเสียงบนในหัวที่โ ป, ป่งปางกระทบใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยในทางการเจริญสติเป็นไปได้ที่จะเอาเสียงบนออกจากหัวเริ่มแรกสุดคือให้รู้ต้นต่อว่าก่อนเกิดเสียงบน มีความอัดอั้นตันใจนำมาเมื่อมีสติเกิดทันความอัดอั้นตันใจได้สติจะให้โอกาสเลือกใหม่กับคุณ 1. คือแอบบนในใจหรือบ่นออกปากตามความเคยชินทันที 2. คือคิดเลือกวิธีดีๆไปจัดการกับเรื่องหน้าบนหรือเลือกคำดีๆไว้พูดกับคนที่เป็นต้นเหตุเรื่อยๆ คุณจะพบความต่างอย่างชัดเจนการเอาแต่บนคือการรวนอยู่กับโทสะที่เปล่าประโยชน์ส่วนการคิดหาทางออกแม้ยังไม่เจอวิธีแก้ปัญหาภายนอกแต่ก็จะได้ทางออกจากวังวนเสียงบ่นในหัวยิ่งเลือกสติเลือกความเย็นใจได้มากกว่าเสียงบน่นคุณจะยิ่งพบความจริงว่าชีวิตดีๆคือการเรียนรู้ที่จะเลิกบน่น